ในบทที่5นี้นะครับทุกท่านผมกำลังจะนำทุกทกท่านนะครับไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องที่สำคัญที่สุดมากที่สุดเรื่องหนึ่งในการสร้างธุรกิจให้ประสบความเสเร็จซึ่งนั่นก็คือวิธีการที่จะทำให้ทุกท่านเป็นมนุษย์แม่เหล็กนั่นเองเรามาครึ่งทางกันแล้วแล้วก็เนื้อหาที่เหลือจากนี้มี่เข้มข้นมากๆเลยที่คุณไม่สามารถจะพลาดได้เพราะว่าพลาดแล้วเนี่ยโอกาสในการที่คุณจะประสบความเสเร็จมากขึ้น ทำไรายได้ได้มากขึ้นนั้นก็จะหายวับไปเลยเพราะฉะนั้นตามผมมานะครับบทที่5เรื่องของมนุษย์แม่เหล็กในบทที่5นี้คุณกําลังจะได้เรียนรู้ว่าคนกลุ่มเดียวที่ประสบความสำเร็จในโลกของธุรกิจเครือข่ายนั้นคือคนกลุ่มไหนกันแน่แล้ว เ, เราจะเป็นคนกลุ่มนั้นได้ยังไงคุณกําลังจะได้เรียนรู้ว่าเป้าหมายหลักของผู้ที่ต้องการประสบความสําเร็จในการสร้างธุรกิจเครือข่ายคือการเป็นคนแบบใดคุณกําลังจะได้เรียนรู้ว่า วิธีการรับแบ่งปันคุณค่าจากคนที่มีแรงดึงดูดให้เป็นของเรานั้นเนี่ยนะต้องทําอย่างไรนะทำอย่างไรเราถึงจะมีแรงดึงดูดเหมือนกับคนคนนั้นบ้างนะเราจะทำอย่างไรคุณกำลังจะได้เรียนรู้ว่าวิธีการทดสอบว่าคุณเป็นคนกลุ่มไหนนะจะต้องทําการทดสอบอย่างไรคุณกำลังจะได้เรียนรู้ว่าอะไรคือสิ่งเดียวที่จะทําให้คุณแสดงความเป็นผู้นําออกมาได้ให้คนอื่นเขาได้เห็นนะคุณกำลังจะได้เรียนรู้ว่า กว่าจะเป็นผู้ที่ประสบความสําเร็จที่แท้จริงนั้นจะต้องผ่านอะไรมาบ้างและคุณกําลังจะได้เรียนรู้ว่าตัวอย่างของผู้ที่ประสบความสําเร็จนั้ น, น, นเขาเป็นคนแบบใดนะเราจึงจะสามารถทําตามเขาได้รวมถึงทัศนคติแล้วก็บุคลิกของเขาด้วยว่าเขาวางตัวแบบไหนเขาคิดอย่างไรเขาจึงประสบความสําเร็จคุณกําลังจะได้เรียนรู้ว่าวิธีการเป็นมนุษย์แม่เหล็กนั้นต้องทําอย่างไรคุณกําลังจะได้เรียนรู้ว่า วิธีการสร้างคุณค่าให้กับผู้มุ่งหวังอย่างรวดเร็วทําให้เขานั้นอยากที่จะเข้าหาเราอย่างรวดเร็วนั้นต้องทําอย่างไรแล้วก็เรื่องราวอื่นอนอีกมากมายที่บรรจุแน่นอยู่ในบทนี้เพราะฉะนั้นเราเริ่มต้นกันเลยความรู้ที่ทุกท่านกําลังจะได้เรียนในบทนี้เป็นสิ่งที่สุดยอดที่ใครๆก็สามารถพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองและทุกคนที่ได้รู้ความลับนี้นะครับเราได้นําไปปรับใช้เนี่ย ก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีมากกว่าเดิมอย่างแน่นอนเพราะว่ามันถูกใช้ในโลกของธุรกิจต่างๆมากมายทั่วทุกที่บนโลกนี้ทุกประเทศนะเป็นร้อยๆเป็นพันๆปีมาแล้วแต่ว่ามันไม่เคยถูกสอนมาก่อนในวงการของธุรกิจเครือข่ายเลยอันนี้คือสิ่งที่น่าเสียดายอย่างมากนั่นเป็นเพราะว่าความเชื่อผิดๆนะครับของคนที่ไม่รู้จริงแต่ว่าชอบออกความเห็นชอบแสดงความคิดเห็นเสมอๆในวงการนี้ว่าความลับนี้เนี่ย มันไม่สามารถทําซ้ําได้หรือว่ามันทําซ้ําไม่ได้นั่นเองในวงการธุรกิจเครือข่ายเนี่ยชอบที่จะพูดถึงเรื่องการทําซ้ํำนะแต่ว่าไม่สนใจว่าระบบที่เขาสอนให้คนทํานั้นเนี่ยมันมีประสิทธิภาพในการทําซ้ำนะั้นต่ํามากเลยก็ยังจะสอนให้คนทําซ้ําแบบนี้อยู่อีกแล้ว 99% ของนักธุรกิจเครือข่ายที่ไม่รู้ความลับนี้เนี่ แล้วก็พยายามที่จะทำซ้ำด้วยระบบที่มีมีประสิทธิภาพต่ำแบบ Old School หรือระบบแบบเดิมๆ น, น, นั้นเนี่ยจะล้มเหลวไม่เป็นท่าเลยแล้วก็ไม่เคยไปถึงจุดที่คนชอบโฆษณากันว่าตรงนี้แหละคือจุดที่เขาเรียกว่ากเกษียณอายุได้หรืออิสรภาพทางการเงนินนั่นเองเพราะฉะนั้นผมจึงอยากถามคุณจริงๆว่าตัวคุณเองแน่ใจแล้วหรือ ว่าคุณต้องการทําซ้ํากับสิ่งที่คนเหล่านี้ได้ผลลัพธ์ไปนนั้นระบบแบบนั้นน่ะที่นี่คือระบบที่เราทําซ้ําได้ดีที่สุดนี่คือสิ่งที่คุณต้องทําตามเรานี่คือสิ่งที่เขาสอนคุณแน่ใจหรือว่าคุณอยากจะทําซ้ําในสิ่งที่คน 99% ล้มเหลวเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเคยได้รับการสอนมาอย่างไรก็ตามผมขอให้คุณลืมในสิ่งที่คุณเคยได้ยินหรือว่าได้รับการสอนหรือว่าได้รับการปลูกฝังมาก่อนแล้วมาเริ่มเรียนรู้ใหม่ว่า กลุ่มคนในโลกธุรกิจเครือข่ายนะนะครับแบ่งออกเป็นสามกลุ่มหรือสามจำพวกกลุ่มแรกก็คือกลุ่มของผู้นำกลุ่มที่สองก็คือกลุ่มของผู้ตามที่กำลังพัฒนาตัวเองเป็นผู้นำแล้วกลุ่มที่สามก็คือกลุ่มของผู้ตามแต่จะมีคนกลุ่มเดียวเท่านั้นครับที่ประสบความสำเร็จเป็นผู้ที่สร้างผลลัพธ์ได้อย่างยิ่งใหญ่เป็นผู้ที่ประสบความสเร็จมากที่สุดเป็นผู้ที่ทาเงินได้มากที่สุด คุณคิดว่าเป็นคนในกลุ่มไหนครับถ้าคุณตอบถูกนะผมขอยินดีด้วยพวกกลุ่มคนที่ประสบความสำเร็จกลุ่มเดียวนั้นก็คือกลุ่มของผู้นํานั่นเองนะกลุ่มอื่นไม่มีโอกาสประสบความสำเร็จในวงการธุรกิจเครือข่ายมีแต่ผู้นําเท่านั้นที่ประสบความสําเร็จและการเป็นผู้นําจึงเป็นเป้าหมายหลักของผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จแล้วก็คนที่เข้าใจในข้อเ ท, ท็จจริงนี้การที่จะทําให้ผู้คนต้องการ วิ่งแข่งแย่งกันเข้าหาเราก่อนเหมือนเราเป็นมนุษย์แม่เหล็กนั้นเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลักจิตวิทยาโดยตรงครับเพราะฉะนั้นเราจรึงจำเป็นที่จะต้องมาเรียนรู้หลักจิตวิทยาของมนุษย์ให้เข้าใจกันก่อนเพราะเมื่อเราเข้าใจอย่างดีแล้วเนี่ยคุณสามารถใช้ความรู้ที่ได้จากการเรียนจากบทนี้ไปเนี่ยไปเริ่มสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ให้กับธุรกิจของคุณได้ทันทีเลยเพราะถ้าเรารู้วิธีการที่จะทําให้มีคนติดต่อเราเข้ามาเอง เพื่อสอบถามเกี่ยวกับธุรกิจของเราทุกวันทุกวันแล้วก็ยินยอมที่จะเปิดโอกาสให้เราเนี่ยได้ปิดการขายด้วยแล้วเนี่ยวันละห้าถ10คนทุกๆวันคุณคิดว่าชีวิตแบบนี้จะยอดเยี่ยมแค่ไหนมแน่นอนครับมันก็คงเป็นชีวิตที่ยอดเยี่ยมมากๆของการเป็นนักธุรกิจเครือข่ายใครบ้างนะ่ะจะไม่อยากให้คนนั้นติดต่อเข้ามาหาเราเองแล้วก็เปิดโอกาสให้เรานั้นได้ทาการปิดการขายเขาด้วยมาเป็นการสร้างธุรกิจในฝันเลย เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการแบบเดิมๆที่คุณจะต้องออกไปไล่ล่าเขาอยู่เสมอๆคราวนี้ก็เป็นคุณเองครับที่จะต้องตัดสินใจเลือกว่าคุณจะเป็นคนที่ต้องออกวิ่งไล่ล่าผู้มุหวังแบบเดิมๆเสมอๆตลอดไปหรือคุณอยากที่จะเรียนรู้และคุณก็เริ่มต้นที่จะอยู่กับที่นะที่มันแสนสบายแสนสะดวกแล้วก็เปิดโอกาสให้ผู้คนนั้นแย่งกันไล่ล่าเข้าหาคุณเองก่อนแล้วเราจะทํำยังไงล่ะครับให้เราทุกคน นะมีคุณสมบัติเหล่านี้นะเราก็ต้องมาเรียนรู้ก่อนว่าอะไรคือสาเหตุที่ทําให้คนคนหนึ่งนั้นมีแรงดึงดูดต่อผู้อื่นนะทําไมคนจึงคลั่งนักร้องหรือดาราทําไมคนธรรมดาธรรมดาจึงกลายเป็นคนดังได้ในเวลาข้ามคืนทําไมผู้หญิงบางคนครับถึงไม่สามารถต้านทานเสน่ห์ของผู้ชายคนหนึงที่ดูธรรมดามากๆเลยทําไมผู้หญิงถึงแบบโอ้ไม่สามารถที่จะหยุดคิดถึงผู้ชายคนนี้ได้เลย ทำไมเวลาเราจัดกลุ่มคนขึ้นมาสักสิบคนนะครับขึ้นมากลุ่มหนึ่งเนี่ยแล้วภายในเวลาไม่กี่นาทีจะมีผู้นําเกิดขึ้นมาในกลุ่มนั้นเลยแล้วก็จะมีคนอื่นๆนั้นพร้อมที่จะเดินตามเขาทําไมทุกคนต้องการเข้าร่วมธุรกิจกับสุดว่าผู้นําของบริษัทที่เป็นคนที่ทําเงินได้มากที่สุดทําไมคนบางคนนะครับเพิ่งเข้าร่วมธุรกิจเครือข่ายตัวหนึง่งแต่ว่าใช้เวลาไม่นานก็สามารถสร้างองค์กรที่ยิ่งใหญ่แล้วก็สามารถที่จะขยายองค์กรนั้น ให้เพิ่มมากมายในแบบว่าคนที่ทำมาแล้วก่อนหน้าเขา1ิปีนั้นได้แต่มองตาเปลิบๆปดนะด้วยความงฉนสนเทและก็อิจฉาเพราะฉะนั้นผมจะพาทุกท่านนะครับไปพบกับคำตอบทั้งหมดนี้ซึ่งมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลักจิ ต, ตวิทยาที่เข้าใจได้ไม่ยากเลยซึ่งหลักจิตวิทยานี้แหละมันจะกำหนดการกระทำของมนุษย์ทุกๆคนบนโลกนี้ด้วยเราจะพาไปดูว่าแรงดึงดูดนั้นเนี่ย มันมีอยู่ในตัวของเราทุกๆคนอยู่แล้วมันอยู่ที่ว่าคุณรู้วิธีที่จะปลุกมันขึ้นมาใช้งานได้หรือเปล่าแค่นั้นเองและนี่ก็คือคําอธิบายในเรื่องจิตวิทยาของมนุษย์ครับโดยธรรมชาติแล้วนะครับมนุษย์สมัยโบราณยุคหินเนี่ยต่างก็อยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มๆโดยจะมีผู้นำหนึ่งคนซึ่งโดยมากเนี่ยจะเป็นคนที่มีประสบการณ์และก็มีความสามารถมากที่สุด ในการปกป้องกลุ่มของเขาให้รอดนะครับพ้นจากอันตรายมากมายทั้งปวงในยุคนั้นได้ซึ่งก็แน่นอนว่าความสามารถที่สำคัญในยุคนั้นเนี่ยก็ต้องเป็นคนที่มีพลังมากกว่าแล้วก็มีความแข็งแกร่งทางร่างกายและก็จิตใจมากกว่าคนอื่นๆนั่นเองส่วนคนในกลุ่มเนี่ยก็จะได้รับประโยชน์จากการเดินตามผู้นาของเขาในเรื่องของความปลอดภยัยการมีที่อยู่ที่กินที่ปลอดภัยนั่นเอง จนผู้ตามบางคนในกลุ่มนี้เนี่ยที่ได้เดินตามผู้นํามาสักระยะหนึง่งนะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากพอจากผู้นําแล้วก็จะรู้สึกอึดอัดครับที่ต้องเดินตามการนําของคนอื่นในสิ่งที่เขาเองตอนนี้ก็รู้แล้วแล้วก็สามารถทําได้เองแล้วด้วยโดยไม่ต้องรอคําแนะนําจากผู้นําอีกต่อไปเพราะฉะนั้นผู้ตามเหล่านี้จึงหาทางครับที่จะขึ้นเป็นผู้นำเสีเอง ซึ่งก็อาจจะเป็นการท้าประลองนะท้าต่อสู้กันใครชนะก็ได้เป็นผู้นำไปหรือไม่ก็ตัดสินใจแยกออกไปตั้งกลุ่มของตัวเองนะเพราะว่าตอนนี้เขาไม่พร้อมที่จะเป็นผู้ตามอีกต่อไปแล้วนะชีวิตของการผจญภัยในฐานะผู้นำอีกคนหนึ่งนะก็จะเริ่มต้นขึ้นคราวนี้นะครับเรามาเรียนรู้กันต่อว่าตามธรรมชาติของมนุษย์นั้นเนี่ยไม่สามารถอยู่รอดได้ด้วยตัวเองคือมนุษย์เราเนี่ย จำเป็นที่จะต้องสร้างกลุ่มแล้วก็ครอบครัวขึ้นมาครับมนุษย์นั้นชอบที่จะอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนไม่สามารถอยู่รอดได้ด้วยตัวเองเพราะว่านี่คือสัญชาตญาณการเอาตัวรอดของมนุษย์สัญชาตญาณแบบนี้นะครับสืบทอดต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้แต่ว่าเรื่องของการมีพลังกาลังมากมากมันไม่สำคัญอีกแล้วครับแต่ปัจจัยที่เปลี่ยนไปนั้นเนี่ยปัจจัยที่สําคัญในปัจจุบันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของการมีคุณสมบัติของผู้นําอยู่ในตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องในการ สร้างธุรกิจนะการสื่อสารการทหารการเมืองหรือว่าการศึกษานั่นเองนะคนที่มีความเป็นผู้นำในเรื่องเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นคนที่มีคนนั้นอยากเข้าหามากและสิ่งที่แยกผู้คนที่มีแรงดึงดูดออกจากคนที่ไม่มีแรงดึงดูดก็คือคุณค่าที่เขามีอยู่ในตัวที่ได้มีส่วนร่วมในการแบ่งปันในการให้แก่คนอื่นๆที่ต้องการนั่นเองแล้วเราจะทำยังไงล่ะครับ เราจึงจะได้รับการแบ่งปันคุณค่าเหล่านี้จากคนที่มีแรงดึงดูดเหล่านั้นล่ะนะง่ายๆเลยก็คือการที่เราได้มีโอกาสเข้าไปคลุกคลีและก็สมาคมกับคนเหล่านี้อยู่เสมอๆนั่นเองครับเราจึงจะได้รับอณิสง์จากแรงดึงดูดนั้นมาเป็นของเราด้วยโดยตรงเลยผมจะยกตัวอย่างที่คุณจะเห็นภาพได้อย่างชัดเจนจากสังคมของดารากันกลุ่มของดาราคนดังนั้นนะครับ เมื่อมีดาราคนหนึ่งที่มีบุคลิกโดดเด่นมากที่สุดกว่าเพื่อนดาราด้วยการอยู่ในกลุ่มที่เขารู้ว่าเธอคนนี้เนี่ยมักจะเป็นคนที่ถูกจับตามองจากสื่อจากแฟนๆถูกเฝ้าติดตามข่าวคลาดอย่างใกล้ชิดอยู่เสมอๆแล้วเนี่ยเพื่อนดาราทั้งหลายที่อยู่ในกลุ่มนี้นะครับก็จะได้รับความสนใจจากแฟนๆเพิ่มมากขึ้นไปด้วยโดยอัตโนมัติเลยอาจจะมีคนกรี๊ดมากขึ้นนะจะมีคนติดตามมากขึ้นทั้งๆที่ในอดีตเนี่ย อาจจะไม่ได้ดังมาก่อนหน้านี้เลยด้วยซ้ำและกลุ่มกลุ่มนี้นะครับก็จะกลายเป็นกลุ่มที่เจ๋งกว่ากลุ่มดอล่าค น, น, นอื่นๆเลยเป็นเหมือนกลุ่มของมนุษย์แม่เหล็กที่ใครๆก็อยากที่จะติดตามนะอยากเข้าหาอยากที่จะรู้เรื่องราวของเขาซึ่งเราจะได้บทเรียนจากเรื่องนี้ว่าจิตใต้สำนึกของคนทั่วไปนั้นเนี่ยจะถูกดึงดูดใจด้วยผู้คนที่มีบุคลิกลักษณะ และมีคุณค่าของผู้นำสูงอยู่ในตัวผมเลยยกตัวอย่างเอารูปของบารักโอบามาซึ่งเป็นประธานาธิบดีของประเทศอเมริกาซึ่งเป็นคนคนหนึ่งครับที่มีบุ ค, คลิกลักษณะของผู้นำนนะอยู่ในตัวอย่างเต็มเปี่ยมข้อ2ถ้าคุณต้องการประสบความเสเร็จอย่างมากในธุรกิจเครือข่ายหรือทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคุณแล้วแล้วก็คุณต้องเรียนรู้ที่จะปรับเอาคุณค่าต่างๆของผู้นาเหล่านั้นเนี่ย มาใส่ไวในตัวคุณเอามันมาเพิ่มในตัวของคุณแล้วคุณก็จะกลายเป็นผู้นําที่แท้จริงที่มีคุณค่าที่จะให้แก่ผู้คนที่เขาต้องการนั่นเองและถ้าผู้มุ่งหวังหรือว่าทีมงานใหม่ๆของคุณไม่มีคุณค่าเหล่านี้อยู่ในตัวแล้วแล้วก็เขาเหล่านั้นนะครับจะประสบกับความยากลําบากในการสร้างธุรกิจตลอดไปเลยจนกว่าเขาจะรู้ว่าเขาเหล่านั้นต้องพัฒนาคุณค่าของความเป็นผู้นํา ในการที่พร้อมที่จะแบ่งปันให้กับคนอื่นๆนะให้เกิดขึ้นในตัวเขาซึ่งบางคนนะครับบางเอิญได้พัฒนาตรงจุดนี้นะพัฒนาตรงจุดเลยเขาจึงประสบความเสเร็จมากกว่าคนอื่นๆโดยที่เขานะไม่รู้หลักทฤษฎีเหล่านี้ด้วยซ้ำนะหรือไม่ก็จนถึงเวลาที่ใครบางคนครับแนะนำให้เขาได้รู้จักกับคอร์ส M.O.M Attraction Blueprint นี้ แต่คุณต้องการให้ใครประสบความสำเร็จในการสร้างธุรกิจเครือข่ายคอสนี้คือคอสแรกที่คุณควรจะแนะนําให้เขาได้รู้จักเพราะมันจะเป็นเหมือนกับการที่คุณจะสอนในเขานั้นติดกระดุมเม็ดแรกถูกนะเริ่มต้นได้ถูกขั้นตอนต่อไปก็สามารถติดกระดุมได้ถูกหมดทุกเม็ดหรือว่าเริ่มต้นสร้างธุรกิจได้ถูกหมดและในธุรกิจเครือข่ายนั้นเนี่ยคุณไม่ควรลืมนะครับว่าผู้คนนั้นเนี่ย เขาเข้าร่วมก็เพราะคุณเขาเข้าร่วมกับคุณไม่ใช่เข้าร่วมเพราะธุรกิจหรือเข้าร่วมกับตัวธุรกิจไม่ใช่เลยตัวของคุณเองจึงเป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดในการสร้างความสําเร็จในธุรกิจเครือข่ายทุกธุรกิจครับคราวนี้จากคนสามกลุ่มที่เราได้พูดถึงตอนต้นนั้นเนี่ยตอนนี้ตัวคุณเองทราบหรือเปล่าว่าตัวคุณนั้นเป็นคนในกลุ่มไหนผู้นํา พูดตามที่กําลังพัฒนาตัวเองเป็นผู้นําหรืออยู่ในกลุ่มพูดตามวิธีการทดสอบง่ายๆแต่ว่าได้ผลมากก็คือคุณต้องดูครับว่าตัวคุณเองนั้นเป็นคนขี้เกรงใจคนหรือไม่นะต้องพิจารณาแล้วก็พิจารณาแบบไม่เข้าข้างตัวเองด้วยนะคุณก็จะรู้ว่าคุณอยู่ในกลุ่มนี้ไหมคุณขี้เกรงใจคนหรือเปล่าคุณชอบหลบสายตาของคนอื่นๆที่เดินสวนมา ในที่สาธารณะก่อนหรือไม่คุณกังวลในสิ่งที่คนอื่นๆนั้นคิดกับคุณหรือไม่ถ้าคำตอบคือใช่คุณยังไม่ใช่ผู้นำครับเพราะว่าการจัดกลุ่มเหล่านี้เนี่ยวัดกันที่ความเข้มแข็งของจิตใจเป็นหลักสิ่งที่คนอื่นกล่าวถึงคุณไม่สำคัญไปกว่าสิ่งที่คุณคิดว่าคุณเป็นนะครับคนอย่างไรครับที่คุณคิดว่าคุณเป็นอันนั้นสาคัญมากที่สดุดเพราะฉะนั้น ตัวคุณเองเท่านั้นครับที่จะตัดสินใจว่าตัวของคุณเองจะเป็นคนอยู่ในกลุ่มไหนเพราะในสายตาของผู้คนที่มองคุณนั้นเนี่ยเขาจะสามารถรู้ได้เลยว่าคุณนั้นเป็นผู้นำที่แท้จริงหรือเปล่าหรือว่าคุณเป็นแค่พวกที่วางท่าว่าเป็นผู้นำแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เฟกสิ่งเดียวที่จะทำให้คุณแสดงออกว่าคุณเป็นผู้นาที่แท้จริงก็คือความเชื่อมั่นของคุณนั่นเองนะความเชื่อ ในตัวคุณคุณไม่สามารถแกล้งเชื่อหรือแกล้งแสดงออกได้ตลอดเวลาครับว่าคุณเป็นผู้นำคุณจะต้องเชื่อมันจากใจจริงเลยนะจากในตัวคุณเองจริงๆว่าตัวคุณเองนั้นเป็นผู้นำที่แท้จริงคุณไม่ได้เป็นผู้นำจากการเสแสร้งนี่คือสิ่งที่จะทำให้คนอื่นๆ น, นั้นเชื่อตามคุณด้วยนะว่าตัวคุณเองนั้นเป็นผู้นำที่เขาเนี่ยอยากจะเข้าหาแต่ว่าในช่วงเริ่มต้นครับ ที่คุณกําลังจะพัฒนาตัวเองจากสถานะที่คุณเป็นอยู่ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ตามที่กําลังพัฒนาตัวเองหรืออยู่ในกลุ่มผู้ตามก็ตามไปสู่การเป็นผู้นําหรือเป็นสุดยอดผู้นํานั้นมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกแปลกๆครับที่กําลังทําอะไรที่ไม่ใช่ตัวเองอยู่เพราะว่าแต่ก่อนในอดีตคุณไม่ได้เป็นคนแบบนี้แต่คุณกําลังปรับเปลี่ยนตัวเองกําลังพัฒนาตัวเองเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่น่ากลัวอยู่เหมือนกันครับกับการที่คุณกําลังพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงความเชื่อ และความคิดของตัวคุณโดยการเริ่มต้นพัฒนาทักษะแล้วก็บุคลิกภาพการพูดการคิดการทำทัศนคติต่างๆรวมถึงจิตวิญ ญ, ญาณของผู้นำให้กับตัวของคุณเองรวมถึงการแสดงออกในรูปแบบต่างๆที่คนอื่นๆจะเห็นแล้วก็สังเกตได้เขาเหล่านั้นเนี่ยเพราะอาจจะท้าทายคุณหรือรู้สึกว่าไม่เชื่อในสิ่งที่คุณเป็นเพราะยังไงมันก็ยังไม่เนียนพอแล้วก็ดูเหมือนว่า คุณเนี่ยกำลังแกล้งเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวคุณเองคุณจะรู้สึกกระท่อนกระแท่นนิดหน่อยในช่วงแรกครับคุณอาจจะไปเจอกับผู้มุ่หวังที่มีทัศนคติอยู่ในระดับนะที่เป็นผู้นำที่สูงกว่าคุณแล้วเขาก็จับคุณได้ว่าคุณยังไม่ใช่ผู้นำที่แท้จริงแต่ผู้แคร์ครับไม่ต้องไปสนใจเลยเพราะประเด็นนั้นมันอยู่ที่คาว่าแค่ยังเท่านั้น คุณยังไม่ได้เป็นแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่ได้เป็นเพราะฉะนั้นทํามันเลยนะทำมันต่อไปนะพัฒนาฝึกฝนในการเป็นผู้นำนะเพราะว่ายังไงก็ตามผู้นําที่แท้จริงทั้งหลายที่ตอนนี้ก็เป็นผู้นําแล้วเนี่ยเขาต่างผ่านเส้นทางการพัฒนานี้กันมาทั้งนั้นต่างเคยเสียแซงต่างเคยเฟกต่างเคยพยายามที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองเป็นผู้นําทั้งนั้นคุณเองก็เช่นเดียวกัน นี่คือสิ่งที่คุณจะเป็นจะต้องรู้ไว้เพราะว่าผลตอบแทนที่คุณจะได้นะครับจากการเปลี่ยนแปลงความเชื่อนี้การเป็นผู้นำนี้เนี่ยมันหอมหวานมากจริงๆมันหอมหวานมากเกินกว่าที่คุณอาจจะจินตนาการถึงก็ได้ว่าแค่พัฒนาตัวเองเป็นผู้นำนั้นมันจะส่งสิ่งดีๆเข้าสู่ชีวิตคุณนั้นได้มากแค่ไหนการเพิ่มคุณค่าในตัวของคุณเองให้กับผู้อื่น แล้วการยกระดับความเป็นผู้นำของตัวคุณเองจากระดับหนึ่งไปสู่อีกระดับหนึ่งที่สูงกว่านั้นเนี่ยมันคือการพัฒนาตัวเองที่ผู้ที่ประสบความเสเร็จทั้งหลายเขาทำกันอยู่เสมอๆครับขอแค่คุณมีความเชื่อเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผลลัพธ์มันจะตามมาเองเพราะว่าความเชื่อในสิ่งใหม่ๆนั้นเนี่ยมันจะไปกำหนดพฤติกรรมแล้วก็ลักษณะนิสัยของคนคนนั้นให้ทาในสิ่งใหม่ๆและคุณเองอาจจะรู้สึก แปลกๆในตอนแรกแต่เมื่อคุณได้ให้เวลาแล้วก็ปลูกฝังความเชื่อนี้อย่างต่อเนื่องแล้วแล้วก็พฤติกรรมแล้วก็ลักษณะนิสัยของคุณก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปเช่นเดียวกันแบบธรรมชาติเลยโดยคุณจะกลายเป็นคนที่คุณต้องการจะเป็นในที่สุดซึ่งนั่นก็คือการเป็นผู้นํานั่นเองและคุณก็จะเริ่มสร้างผลลัพธ์ที่คุณต้องการอย่างเห็นได้ชัดแล้วเมื่อถึงเวลานั้นไม่ต้องให้ใครมาคอยบอกแล้วครับว่า ตอนนี้คุณเป็นผู้นำแล้วเพราะว่าคุณจะรู้ได้ด้วยตัวของคุณเองเพราะฉะนั้นเป้าหมายหลักของคุณในการสร้างธุรกิจเครือข่ายนะนั้นก็คือการกลายเป็นคนที่คนทั่วไปมองเห็นรู้สึกได้แล้วก็เรียกขานว่าเป็นสุดยอดผู้นำนั่นเองนะคราวนี้ผมจะนำคุณนะครับนะไปดูตัวอย่างของสุดยอดผู้นากันนะว่า สุดยอดผู้นำนั้นเป็นอย่างไรคือใครสุดยอดผู้นำนั้นนะครับตัวอย่างง่ายๆเลยก็คืออัพไลน์ระดับผู้นำนะระดับสูงที่ประสบความสเร็จทารายได้ได้ไดมากนะมีดาวไลน์มากๆมีองค์กรที่ใหญ่มากนะมีรายได้ต่อเดือนที่ออคนอื่นได้แต่อิจฉานะคนเหล่านี้นะครับก็จะเป็นคนที่มีทัศนคติแบบว่าทุกๆอย่างนั้นมันมีมากมายเหลือเฟือ นะไม่จะเป็นที่จะต้องไปแข่งแย่งกันไม่จะเป็นที่จะต้องอรู้สึกว่าจะต้องเอามันให้ได้เดี๋ยวนี้ถ้าไม่ได้ชั้นแย่แน่ไม่ใชนะ่แล้วก็คนเหล่านี้ครับเป็นกลุ่มคนที่ผู้คนมากมายต่างต้องการที่จะเข้าหาเขานะถ้ามีโอกาสนี้ก็จะต้องการที่จะเข้าหาเขาอย่างแน่นอนคราวนี้สำหรับกลุ่มคนที่กาลังจะพัฒนาตัวเองเป็นผู้นานั้นเนี่ย ก็จะเป็นกลุ่มคนที่ได้เริ่มผลักดันตัวเองครับให้ทําในสิ่งที่ไม่ค่อยจะชินนักในการแสดงออกถึงความไปผู้นำกลุ่มคนกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มผู้ตามที่กําลังจะพัฒนาตัวเองผู้นำนั่นเองซึ่งกลุ่มผู้ตามที่กําลังพัฒนาตัวเองเนี้ก็จะพบกับความกระท่อนกระแท่นตลอดครับจนกระทั่งได้รับผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ในที่สุดาาก็จะกระท่อนกระแท่นตลอดในเรื่องของการพัฒนาตัวเองแต่ก็ไม่ต้องสนใจครับ ทำมาต่อไปจนสุดท้ายก็จะได้รับผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่คุ้มค่าคนกลุ่มนี้เขาจะเริ่มสอนทีมงานใหม่ๆแล้วก็คอยให้คำแนะนำทีมงานใหม่ๆอยู่เสมอๆคนกลุ่มนี้ครับจะวางตัวได้อย่างน่าเชื่อถือกับผู้มุ่งหวังทางโทรศัพท์คนกลุ่มนี้ครับจะเป็นคนที่กล่าวเปิดงานประชุมแล้วก็ให้ข้อมูลกรารประชุมต่อผู้มุ่งหวังในงานเปิดโอกาสทางธุรกิจ แล้วก็การประชุมออนไลน์คุณคงจะเคยเห็นนะครับเวลาคุณไปงานประชุมพวกนี้ก็จะมี MC มครับมาคอยกล่าวเปิดงานซึ่งก็คือคนกลุ่มนี้แหละเขากำลังพัฒนาตัวเองอยู่คนกลุ่มนี้จะรับผิดชอบต่อการสร้างระบบการสร้างรายชื่อผู้มุ่งหวังแล้วก็ระบบการทํนนาากรตลาดของตัวเองและคนกลุ่มนี้ครับจะมีความเชื่อมั่นในคุณค่าของตัวเองเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมากคราวนี้เรามาดูกลุ่มที่3กันกลุ่มของผู้ตาม ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีจานวนคนอยู่มากที่สุดกลุ่มของผู้ตามนั้นเนี่ยจะมีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็คุณค่าของตัวเองที่จะมอบให้กับผู้อื่นนั้นน้อยมากครับนะเขาจึงพยายามที่จะมองหาผู้นำเพื่อหวังว่ากลุ่มผู้นาเหล่านั้นเนี่ยจะช่วยให้เขาประสบความสำเร็จได้คนกลุ่มนี้ไม่มีความชัดเจนในตัวเองเป็นอย่างมากเลยนะหรือไม่ก็รู้สึกขึดอัดกังวลกับการที่จะแสดงบทบาทการเป็นผู้นา เขาจะใช้ชีวิตแบบทำตามกฎของคนอื่นอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะที่ไหนกับใครหรือเมื่อไรแต่ถ้าเกิดความผิดพลาดในชีวิตขึ้นมาแล้วเราก็สาเหตุนั้นมันจะเป็นเพราะคนอื่นมันไม่ใช่ตัวเขาที่เป็นสาเหตุเลยนะคือปัดหมดนะปัดความรับผิดชอบไม่กล้าที่จะยอมรับว่าตัวเขาเองนั้นจริงๆแล้วคือสาเหตุของความล้มเหลวในชีวิตของเขา ความแตกต่างของกลุ่มคนที่กําลังจะเป็นผู้ น, นํากับกลุ่มผู้ตามก็คือกลุ่มที่กําลังจะเป็นผู้ น, นํานั้นเนี่ยจะมีวิสัยทัศน์มีความกล้าแล้วก็มีความพยายามที่จะสู้กับความท้าทายต่างๆที่ถาโถมเข้ามาเพราะถ้าตัวคุณเองยังไม่สามารถเป็นผู้ น, นําให้กับตัวเองให้กล้าสู้กับอุปสรรคต่างๆได้แล้วเนี่ยคุณจะคาดหวังให้คนอื่นมาติดตามคุณได้อย่างไรเพราะฉะนั้น มีกฎสองข้อครับที่คุณไม่ควรจะลืมสำหรับบทนี้ก็คือหนึ่งมนุษย์ไม่สามารถที่จะอยู่คนเดียวโดยไม่พึ่งพาคนอื่นได้อย่าลืมนะครับมนุษย์จะต้องอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นสังคมอยู่คนเดียวแล้วมักไปไม่รอดเอาตัวเองไม่รอดครับสองทุกทุกคนต้องผ่านการเป็นผู้ตามมาก่อนครับก่อนจะเป็นผู้นําไม่มีใครเกิดมาแล้วเป็นผู้นําเลยจะต้องเรียนรู้กัน ทุกทุกคนซึ่งตัวผมเองครับต้องใช้เวลามากกว่า2ปีนะในธุรกิจเครือข่ายจึงจะมีโอกาสได้รู้ความรับนี้และเมื่อได้รู้แล้วเนี่ยผมก็นาความรับที่ได้เรียนรู้นี้มาพัฒนานะพัฒนาตัวเองอจรงจิงจังเลยแล้วก็สามารถพัฒนาตัวเองจนขึ้นมาถึงจุดที่เป็นอยู่นี้ได้และนี่คือบุคลิกลักษณะาบางอย่างของคนที่เป็นผู้นา และคนที่เราเรียกว่าเป็นสุดยอดผู้นําคนที่เป็นสุดยอดผู้นํานั้นเนี่ยก็คือคนที่คนอื่นๆอยากจะเป็นเหมือนเขาคนเหล่านี้นั้นเป็นผู้นําโดยจิตวิญญาณเลยและเขามักจะถูกเข้าหาแล้วก็ถูกวิ่งไล่ล่าเสมอคนเหล่านี้นะครับมีสเสน่ห์แล้วก็มีแรงดึงดูดต่อผู้อื่นและความสําเร็จสําหรับเขาแล้วเนี่ยมันมาได้ง่ายมากเลเคยคนเหล่านี้ครับ มีแรงหนึงดูดต่อผู้อื่นโดยอัตโนมัติอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติจากความมั่นใจในตัวเองที่เขามีแล้วก็มันจะฉายแสงออกมาปรากฏ ต, ต่อสายตาผู้อื่นแล้วเขาก็ไม่แคร์แล้วก็ไม่สนใจต่อคำวิจารณ์ของคนอื่นๆเท่าไหร่นะไม่แคร์เลยใครจะว่าไงไม่สนเพราะฉันมั่นใจในตัวเขาเองอยู่แล้วผู้นํานะครับจะมีความชัดเจนในเป้าหมายที่เขาต้องการอย่างมากแล้วเขาก็จะทุ่มเท ท, ทุกอย่าง เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายนั้นไม่สําเร็จไม่เลิกโดยเด็ดขาดนะผู้นะครับจะมีทัศนคติและก็มีวิสัยทัศน์ที่แข็งแกรง่งและก็ชัดเจนมากๆจนคนอื่นๆนั้นต้องคล้อยตามความเชื่อของเขาทุ ก, ท, กทุกสิ่งทุกๆอย่างระดับเขาแล้วเนี่ยนะมันเป็นไปได้นะทุกอย่างเป็นไปได้ไม่ว่าจะดูยากเย็นแค่ไหนก็ตามคําว่าเป็นไปไม่ได้ไม่อยู่ในพจนานุกรมของเหล่าสุดยอดผู้นําเหล่านี้ ผู้นำนะครับจะมีกฎมากมายให้ผู้อื่นเดินตามนะถ้าต้องการจะติดตามเขาต้องทำตามกฎของเขาผู้นำครับให้ความสําคัญต่อคำพูดของตัวเองมากพูดอย่างไรก็ต้องทำได้อย่างนั้นและไม่อดทนต่อการถูกลบหลูดูมินโดยเด็ดขาดใครจะมาลบหลูดูหมินนะเพราไม่ทนเลยโดยคนที่มาลบหลูดูมินกับเขานี่นะครับจะถูกลงโทษจากผู้นำทันที โดยการตัดออกไปจากชีวิตเลยแล้วก็ไม่สนใจข้องแว็กอีกเลยไปเลยถ้ามาถ้าคุณดูถูกหรือดูหมิ่นผมนะคุณก็ไปเลยออกไปจากชีวิตผมได้เลยแล้วไม่ต้องกลับมาเจอกันอีกแบบนั้นผู้นำนะครับให้สิ่งที่มีคุณค่าอย่างมากต่อผู้คนผู้นำรักในตัวเองเป็นอย่างมากครับผู้นาครับจะปกป้องทุกคนที่สำคัญต่อชีวิตของเขา ผู้นำจะส่งพลังงานแล้วทัศนคติที่เป็นบวกออกมาให้กับผู้อื่นเสมอๆผู้นำจะดูแลตัวเองเป็นอย่างดีทั้งร่างกายการแต่งตัวที่ดูดีแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพอีกด้วยผู้นำครับจะทำในสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าทำและในธุรกิจเครือข่ายผู้นำคือคนที่สามารถสปอนเซอร์ผู้คนได้โดยไม่ต้องออกแรงอะไรมากเลยครับมันง่าย เหมือนกับการดีดนิ้วนั่นเองความสำเร็จของคนทั้ง3ามกลุ่มนี้จะมีความแตกต่างกันอย่างมากครับผู้นำนะครับจะได้ในสิ่งที่คนทั่วไปได้แต่ฝันครับเช่นผู้นำนะครับจะมีคู่ครองในฝันจะมีบ้านแล้วก็รถในฝันะแล้วก็ยังมีโอกาสดีๆหลั่งไหลเข้ามาหาเขาอยู่อย่างเสมอๆ อ, อย่างที่คนอื่นๆ น, นั้นได้แต่มองตาเปลกว่าเขาได้อย่างไร น่าเป็นเพาเขาไม่รู้ความรับในบทนี้นั่นเองผู้นําครับเขาจะสร้างผลกระทบที่เป็นบวกให้กับผู้คนไม่ว่าจะเป็นการสอนการแบ่งปันการให้บริการการบริจาคการช่วยเหลือการกุศลอยู่เสมอเสมอเมื่อคุณนะครับมีพลังของสุดยอดผู้นําเหล่านี้อยู่ในตัวแล้วเนี่ยแล้วเมื่อคุณได้นําเสนอสิ่งที่คุณได้เพิ่มคุณค่าในตัวคุณนั้นออกไปแล้ว ผู้มุ่งหวังครับจะหาทางเข้าหาคุณอย่างอัตโนมัติเลยเพื่อที่จะต้องการเป็นส่วนหนึ่งของทีมหรือว่ามีโอกาสที่จะได้รับการดูแลหรือช่วยเหลือจัดพลังของผู้นำเหล่านั้นเหมือนกับกรณีของดาราเกาะกร ะ, กะแสนดังหรือว่ารูปที่ผมโชว์ให้ทุกท่านดูนั่นเองบุคคลเหล่านี้นในสไลด์ตอนนี้เนี่ยตากเป็นสุดยอดผู้นา ใ น, ในวงการของเขาทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นบารัโอ ม, มามาซึ่งเป็นผู้นำในด้านการเมืองนะคุณตันโอชิชนะิซึ่งเป็นผู้นำในวงการธุรกิจนะเจ้าสัวทนินเจรวนนท์ก็เช่นเดียวกันรวมถึงบิลเกตแล้วก็สตีฟจ็อกด้วยซึ่งเป็นผู้นำในวงการของธุรกิจด้านไอที IT นั่นเองผู้นาเหล่านี้มแีแฟนติดตามอยู่มากมาย แล้วก็มีคนศรัทธาและก็เชื่อในสิ่งที่เขาบอกเขาสอนอย่างมากมายแล้วนี่ก็คือหลักการสำคัญของการตลาดดึงดูดหรือ attraction marketing นั่นเองคนเป็นผู้นำนั้นเนี่ยไม่จะเป็นที่จะต้องทำการโทรติดตามผลหรือว่าไล่ต้อนผู้มุหวังเลยไม่จาเป็นเลยแล้วผมก็ไม่เคยจาเป็นต้องทำแบบนั้นด้วยเขาไม่จะเป็นต้องตอบคาถามที่ไม่จำเป็นต้องตอบเช่นถ้ามีผู้ม่หวังถามว่า คุณมีรายได้เท่าไหร่แล้วไม่จะเป็นต้องตอบเลยไม่จําเป็นแล้วก็ไม่จําเป็นที่จะต้องพยายามที่จะจูงใจให้ใครต่อใครเชื่อในสิ่งที่เขาพูดด้วยธุรกิจของเขานะครับจะพุ่งแรงอย่างต่อเนื่องโดยที่หลายๆครั้งเนี่ยจะต้องจํากัดในการรับคนเข้าสู่ทีมหรือบางทีเนี่ยจะต้องส่งต่อให้กับทีมงานใต้ล่างดูแลไปเลยเพราะว่าดูแลไม่ไหวแล้วมีคนอยากเข้าร่วมธุรกิจกับเขามากจนแบบอ๋อช่วยดูแลหน่อยเถิดไม่ไหวแล้วจริงๆ นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับในในชีวิตของผมด้วยตัวของผมเองอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ตลอดเวลาคุณเองต้องการที่อยู่ในจุดเดียวกันนี้หรือไม่ถ้าคําตอบคือใช่คุณก็ไม่มีทางเลือกอื่นครับนอกจากคุณจะต้องพัฒนาตัวเองให้ขึ้นมาเป็นผู้นําให้ได้หนทางของคุณนั้นมันถูกเปิดออกแล้ว อยู่ที่ว่าคุณจะกระโจนลงมาแล้วก็เล่นเกมการเป็นผู้นัา น, นี้กับผมหรือเปล่าคนที่ประสบความสำเร็จในการสร้างธุรกิจต่างๆนั้นก็คือสุดยอดผู้นานั่นเองพื้นที่ตรงจุดนี้นะครับไม่ได้มีไว้ให้กับผู้ตามที่กำลังจะเป็นผู้นาหรือผู้ตามโดยสายเลือดไม่ใช่เลยพื้นที่ตรงนี้นะครับพื้นที่แห่งความสำเร็จมีให้สาหรับผู้นาเท่านั้นเมื่อคุณเรียนรู้มาจนถึงจุดนี้แล้ว คุณจำเป็นที่จะต้องทําความเข้าใจกับข้อมูลสําคัญนี้ให้มากเลยแล้วคุณก็ต้องประเมินว่าตัวคุณเองณตอนนี้เนี่ยอยู่ที่จุดไหนแล้วคุณจําเป็นที่จะต้องทําอะไรเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองไปให้ถึงจุดที่คุณต้องการซึ่งนั่นก็คือจุดของการเป็นผู้นําหรือว่าสุดยอดผู้นำ น, นั่นเองจากข้อมูลทั้งหมดที่ผมพูดมานี้นะครับก็จะมีคําถามเกิดขึ้นว่าแล้วเราจะทํำยังไงดีล่ะเพื่อที่เราจะได้เริ่มต้น พัฒนาความเป็นผู้นำให้ได้เร็วที่สุดแล้วก็ง่ายที่สุดเพราะฉะนั้นผมขอแนะนําว่าให้มองหาคนในชีวิตของคุณก่อนครับว่ามีใครบ้างที่เขาอยู่ในสถานะของการเป็นผู้นำแล้วนี้แล้วก็เริ่มมาเรียนรู้แล้วก็สวมการเป็นแบบเขาเลยนะเขาคิดอย่างไรเขาทำอย่างไรเขามีการปฏิบัติตัวอย่างไรคุณเรียนแบบเขาเลยอันนี้เขาเรียกว่าการสวมการเป็น ของผู้ประสบความสำเร็จหรือว่าการโคลอนนิ่งการเป็นเขาได้เองนี่คือวิธีที่ทรงพลังมากๆซึ่งแม้แต่แอนโทนีร็อบบินซึ่งเป็นปรมาจารย์อันดับต้นๆของโลกในการที่พัฒนาทักษะให้กับผู้คนนะในการพัฒนาศักยภาพผู้คนเนี่ยก็แนะนําวิธีนี้ถ้าคุณต้องการประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วคุณต้องหาคนคนหนึ่งที่เป็น role m o d e หรือว่าเป็นไอจ่อของคุณเป็นแรงบันดาลใจของคุณแล้วคุณก็เรียนรู้เลยว่าเขานั้น คิดพูดทําใช้ชีวิตอย่างไรคุณก็ปอปปี้แบบเขาแม้กระทั่งเขาออกกำลังกายแบบไหนเขาหายใจแบบไหนหรืออะไรก็ตามถ้าคุณทําได้แบบเขาทุกอย่างคุณก็จะประสบความสำเร็จแบบเขาเช่นเดียวกันเมื่อคุณเริ่มทํานะครับคุณก็เริ่มที่จะปรับเอาสิ่งที่ผู้นําเหล่านั้นเป็นนะสิ่งที่เขาได้ทําสิ่งที่เขามีนํามาเป็นของคุณได้เช่นเดียวกันคุณจะเริ่มทัศนคติว่าทุกอย่างนั้นเนี่ยมันมีมากมายเหลือเฟือ ซึ่งเป็นทัศนคติสําคัญมากครับหากคุณต้องการประสบความสำเร็จผู้นําจะไม่มีทัศนคติที่ว่ามันจําเป็นมันขาดแคลนนะมันแย่แน่ถ้าฉันไม่ได้มันคุณไม่จําเป็นที่จะต้องสปอนเซอร์คนนะครับถ้าคุณเป็นผู้นําแล้วคุณไม่จําเป็นที่จะต้องให้คนมาเข้าร่วมธุรกิจกับ ค, คุณไม่จําเป็นที่จะต้องโน้ม น, น้าวชักไม้น้ำมั่งห้ามาพูดไม่จําเป็นเลยเพราะว่าเมื่อคุณต้องการอะไรจากใครก็ตาม คุณนะกำลังยื่นพลังของคุณไปให้เขาถ้าคุณต้องการอะไรจากใครนะครับเขาจะมีอำนาจอยู่เหนือคุณทันทีและถ้าคุณไม่มีพลังในสถานการณ์ต่างๆแล้วคุณไม่ใช่สุดยอดผูน้นาเพราะว่าทัาศนคติแบบว่ามันจำเป็นนะมันขาดแคลนอยู่นะมันเกิดขึ้นจากการใช้ชีวิตแบบว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีไม่เคยพอเงินก็ไม่พอผู้มุ่งหวังก็ไม่พอ โอกาสก็ไม่เคยพอสหรับคุณความหวังก็ไม่พอความเชื่อก็ไม่พอการมีชีวิตอยู่แบบนี้มันอันตรายมากเลยแต่ถ้าคุณใช้ชีวิตอยู่ในทศัศนคติที่เป็นบวกแบบว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเหลือเฟือคุณไม่จำเป็นเลยที่จะต้องไปแข่งแย่งกับผู้คนคุณจะไม่เคยกลัวเลยครับว่ามันจะไม่พอคุณจะไม่กลัวการล้มเหลวไม่กลัวการสูญเสียคุณจะไม่สนใจคาวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาเพราะว่า ถึงยังไงมันก็ต้องเป็นของคุณอยู่แล้วและเมื่อคุณเป็นผู้นําทีมแล้วนะครับพวกผู้ตามทั้งหลายเนี่ยเขาจะรู้สึกยังเกรงแล้วเขาจะรู้สึกไม่ปลอดภัยครับและวเขาก็จะโทษคุณนะกับทุกปัญหาและก็ความล้มเหลวของเขาซึ่งผู้ตามเหล่านั้นเนี่ยจริงๆแล้วนะครับเขาอิจฉาตาร้อนกับความสำเร็จของผู้อื่นอยู่เสมอเสมอแล้วนั่นคือสิ่งที่ทําให้คนเหล่านี้เนี่ย เขาทําแบบนั้นเพราะเขาไม่มีหนทางอื่นะเขาไม่มีคุณค่าในตัวเองอยู่แล้วครับจะให้ยอมรับว่าตัวเองตัวเขาเองผุนะนะ่นนั้นฝันไม่เถอะผมโดนเหตุการณ์แบบนี้เนะี่ยบ่อยครั้งเลยที่ผู้ตามนั้นจะโทษะจะโทษผมจะโทษผู้นำในทีมของผมเมื่อเขาทําแล้วไม่ประสบความสำเร็จตัวนี้เขาไม่ดูตัวเขาเองเลยว่าเขานี่ยไม่ได้ลงมือทําอะไรเลย เพื่อที่จะช่วยเขาประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นในฐานะของผู้นําแล้วเนี่ยเราจะไม่สนใจในสิ่งที่คนเหล่านี้เขาทำหรอกเพราะว่าคุณนะครับเป็นคนกําหนดกฎเกณฑ์คุณไม่เห็นแก่ตัวคุณไม่ใจร้ายคุณมีความมั่นใจในตัวเองสูงถ้าใครต้องการที่จะสื่อสารหรือติดต่อกับคุณนั้นเนี่ยเขาก็จําเป็นที่จะต้องทําตามกฎที่คุณวางไว้ซึ่งสิ่งเหล่านี้เองที่เรียกว่าบุคลิกของผูน้นํา ซึ่งมันจะพบเห็นได้น้อยมากในวงการธุรกิจเครือข่ายนั่นเป็นเพราะว่ามันมีคนสําเร็จน้อยนั่นเองและคนที่มีบุคลิกผู้นํานั้นเนี่ยก็จะเป็นคนนะครับที่พร้อมที่จะปฏิเสธเพราะว่าไม่สามารถจะเอาใจคนทุกคนได้แต่ก็ไม่แคร์อยู่แล้วเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างอย่าลืมเลยครับว่ามันมีเหลือเฟือคุณสามารถที่จะปฏิเสธผู้มุ่งหวังได้ผมปฏิเสธผู้มุ่งหวังนั้น ม า, มากมากเลยเพราะว่าผมดูแล้วว่าถ้าเขาเข้ามาโอกาสประสบความล้มเหลวเขามีสูงเลยนะเพราะว่าทัศนคติจารเขายังไม่ได้และเขาก็ยังไม่พร้อมที่จะพัฒนาตัวเองด้วยผมจริงปฏิษษเสธเคขาเงินของเขาผมไม่ต้องการหรอกเพราะว่าผมไม่ต้องการที่จะรับใครเข้ามาแล้วเขามาล้มเหลวเพียงเพื่อที่ผมจะได้เงินของเขานั่นไม่ใช่สิ่งที่ผู้นําคิดแล้วก็ทําและด้วยความเป็นผู้นํานั้นนะครับคุณจะปกป้องแล้วก็บริการคนที่ตามคุณ ซึ่งเป้าหมายของคุณนั้นก็คือการยกระดับชีวิตะระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนที่อยู่รอบตัวคุณไม่ใช่ว่าสิ่งเหล่านี้มันจําเป็นต้องทํานะครับแต่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเราอยากทําันเองคนที่เป็นผู้นำนั้นเขาอยากทําเองนั่นคือปณิธานในใจของเลยคือการให้บริการผู้คนการช่วยเหลือให้คนจำนวนมากมันประสบความสำเร็จคนที่มีปู้ริกรผู้นานั้นเขาก็จะมั่นใจนะเข้าสังคมแบบสนุกสนาน มีพลังมีความเป็นมิตรมีความเป็นผู้นำมีความเคารพนับถือตัวเองมากแล้วก็พร้อมที่จะพูดเล่นสนุกสนานกับผู้คนเสมอๆด้วยไม่ใช่ว่าจะต้องเก็กเท่เก็กเป็นผู้นำอย่างเดียวไม่ใช่เลยคนที่มีบุคลิกผู้นำนั้นก็จะเป็นคนที่ดูแลร่างกายเป็นอย่างดีนะครับเพื่อที่เขาจะได้ดูดีเสมอๆสอําหรับคุณผู้ชายนะครับผมให้ดูตัวอย่างจากพระเอกหนังที่ทั้งเท่ทั้งสุขุมนุ่มลึกแต่ว่าดูสบาย ยกตัวอย่างนิคโคลัสเคจตอนที่เล่นเรื่องคอนแอร์คุณจำได้ไหมถ้าผมเคยดู <c oughs> ว่าเขาเป็นมีบุ ค, คลิกแบบนี้เลยบุ ค, คลิกของผู้นำเพราะในเรื่องนั้นเขาเป็นนายทหารนั่นเองหรือว่า p พียรสรอสเนนตอนที่เล่นเป็นเจมส์บอนด์ 0.7 ที่บุ ค, คลิกนั้นโอ้โหกินขาดเป็นผู้นำเหลือเฟือหรือว่าบรูซวิลลิสในตอนเล่นเรื่องไดฮัสภาคสีนั่นเองซึ่งบุ ค, คลิกผู้นาเหล่านี้เนี่ย เขาก็พร้อมที่จะสบตากับผู้สนทนาแล้วก็มีมาสตผู้นาอยู่ในตัวเองเสมอเสมอครับถ้าคุณอยากรู้ว่าบุคลิกผู้นําเป็นอย่างไรไม่หาหนังเหล่านี้มาดูคนที่มีบุคลิกผู้นํานั้นก็จะพูดจานะครับด้วยน้ําเสียงที่หนักแน่นเป็นผู้ควบคุมการสนทนานะบทสนทนานั้นเขาเป็นคนควบคุมเขาไม่ต้องคอยมานั่งตอบคาถามคนอื่นแต่เขาจะเป็นคนถามคำถามผู้อื่นเวลาที่เขาพูดเขาก็จะพูดแบบสบายๆแล้วก็ไม่กลัวที่จะขัดจังหวะคนอีกคนเลย ถ้ามันเห็นว่าสมควรขัดได้ก็ต้องขัดผู้ที่อยู่ในกลุ่มผู้ตามนั้นจะรู้สึกผิดหวังแล้วก็รู้สึกสูญเสียความมั่นใจแล้วก็จะปกป้องตัวเองนะครับจะป้องกันตัวเองหรือไม่ก็จะแข็งกร้าวใส่เมื่อถูกผู้ผู้หวังสงสัยแล้วก็พยายามที่จะถามปัญหาเกี่ยวกับสินค้าหรือโอกาสทางธุรกิจของเขาแล้วก็เริ่มที่จะพิสูจน์ว่าของของฉันนั้นมันดีที่สุดนะแต่ผู้นําไม่ทําแบบนั้นนะผู้ทำํำผู้นําไม่ทําแบบนั้นเลย เพราะฉะนั้นตรงข้อนี้คุณลองถามตัวคุณเองดูว่าเวลาคุณโดนถามมากๆนะโดนผู้มุ่งหวังไร่ต้อนม า, มากๆคุณรู้สึกอย่างไรนะสุดยอดผู้นํานะครับจะเป็นผู้ที่ควบคุมสถานการณนะ์ด้วยตัวเองหรือไม่เขาก็ไม่สนใจมันไปเลยแล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องพิสูจน์นะไม่จำเป็นจะต้องพิสูจน์ตัวเองด้วยการพูดลงท้ายประโยคด้วยคาว่าใช่ไหมนะหรือว่าถูกต้องไหม นะมันใช่ไหมครับอย่างนั้นเลยใช่ไหมครับอะไรแบบนั้นนะถูกต้องนะครับนะถูกต้องใช่ไหมครับไม่จำเป็นเลยเพราะว่าการลงท้ายประโยคด้วยคําขอความมั่นใจเหล่านี้เนี่ยมันจะแสดงความอ่อนแอของคุณออกมาให้ผู้มุ่งหวังเนี่ยเขาได้รู้สึกแล้วเวลานะครับคือสิ่งที่มีค่ามากที่สุดของผู้นำนะคุณจะไม่ยอมให้ใครนะมาใช้เวลาของคุณไปอย่างง่ายๆเลยถ้าเขาไม่คู่ควร จ, จริงๆนะตัวผมเอง ก็ไม่ให้เวลากับใครง่ายใครจะโทรมาคุยเล่นไลฟรสาระแมวเลยลขอวางหูเลยซึ่งจากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้นะครับคอร์ส m mm. m MM attraction blueprint เนี่ยจะให้ความสำคัญอย่างมากกับสิ่งสิ่งเดียวเท่านั้นก็คือการเพิ่มคุณค่าในตัวของคุณที่มีต่อผู้อื่นแล้วก็โลกใบนี้ครับนะหัวใจสำคัญอย่างเดียวในคอร์สนี้ที่มุ่งเน้นให้คุณได้เรียนรู้แล้วก็ ลงมือทําก็คือการเพิ่มคุณค่าในตัวของคุณที่มีต่อผู้อื่นแล้วก็โลกใบนี้ครับนี่คือหัวใจของความสําเร็จที่แท้จริงสุดยอดผู้นําคือคนที่มีคุณค่ายิ่งคุณมีคุณค่าต่อผู้อื่นมากเท่าไหร่เขาเหล่านั้นยิ่งมองหาทางเข้าหาคุณมากขึ้นเท่านั้นยิ่งคุณพร้อมทุ่มเทช่วยเหลือผู้อื่นมากเท่าไหร่คุณยิ่งเพิ่มความเป็นสุดยอดผู้นํามากขึ้นเท่านั้นเช่นเดียวกันหลังจากที่ผมได้เข้าใจหลักการนี้แล้วแล้วก็ ผมก็ใส่เกียร์5เต็มสปีดทันทีครับในการเริ่มต้นพัฒนาตัวเองในทุกๆด้านยิ่งถ้าเป็นด้านที่จําเป็นต่อผู้อื่นหรือว่ามันสามารถช่วยให้คนอื่นประสบความสำเร็จได้มากๆแล้วแล้วก็ผมทุ่มเทมันเต็มที่เลยเพราะผมรู้ว่านั่นคือหัวใจที่จะช่วยผมประสบความสำ เ, ศเศร็จเช่นเดียวกันผมจะทําเต็มที่แล้วก็เพิ่มคุณค่าให้กับตัวเองเต็มที่ในด้านนั้นผมเริ่มทําในสิ่งที่คนทั่วไปไม่พร้อมจะทําผมลงทุนสมัครเรียนคอร์สต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาตัวเองการพัฒนาความเป็นผู้นําทักษะการทําการตลาดการสร้างผลิตภัณฑ์ของตัวเองการสร้างธุรกิจทางอินเทอร์เน็ตการสปอนเซอร์คู่มุ่งหวังการพัฒนาทักษะการเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วก็เรื่องราวต่างๆอีกมากมายนับไม่ถ้วนเลยที่ผมได้ลงทุนในการเรียนรู้สิ่งที่ผมอยากจะเตือนอีกครั้งก็คือว่าถ้าคุณต้องการเป็นมนุษย์แม่เนี่ยตัวจริงแล้วแล้วก็คุณต้องเพิ่มคุณค่าของคุณให้กับคนอื่นๆ ผ่านการสอนและการถ่ายทอดจากประสบการณ์จริงของคุณความเชื่อและความรู้ที่มีคุณค่าต่อผู้อื่นที่คุณมีอยู่ในตัวนั้นเนี่ยจะทำให้คุณมั่นใจครับแล้วก็มีทัศนคติที่ไม่ขาดแคลนต่อสิ่งใดในโลกนี้นี่คือสิ่งที่สุดยอดผู้นำทุกทุกคนมีลองนั่งลงและถามตัวคุนเองนะครับว่าตอนนี้คุณได้ให้คุณค่าต่อผู้มุ่งหวังอย่างไรบ้างในสายตาของผู้มุ่งหวังแล้วเนี่ย คุณมีคุณค่ามากแค่ไหนจำไว้เลยนะครับว่าบริษัทของคุณโอกาสทางธุรกิจของคุณมันไม่สำคัญอะไรเลยสิ่งที่สำคัญมันอยู่ที่ว่าคุณนะครับให้คุณค่าต่อผู้มูอหวังได้ยังไงบ้างต่างหากคุณสอนให้เขารู้จักวิธีการทำการตลาดแล้วก็การสร้างรายชื่อผู้มือหวังได้เองไหมคุณสปอนเซอร์ทางโทรศัพท์ได้ดีแค่ไหนคุณจัดประชุมปิดการขายได้ยอดเยี่ยมหรือเปล่า ถ้าคุณมีปัญหาในการสปอนเซอร์คู้มุ่งหวังแล้วแล้วก็น่าเป็นเพราะว่าคุณกําลังมีปัญหาในการมอบคุณค่าให้กับเขาเหล่านั้นนั่นเองมันจึงทําให้คุณนะครับสปอนเซอร์คนได้ยากหรือว่าสปอนเซอร์คนได้น้อยถ้าจะมีคนกําลังจะเข้าร่วมธุรกิจกับคุณแต่เมื่อเขาได้พูดคุยหรือว่าได้พบปากกับคุณแล้วเขาไม่รู้สึกว่าคุณมีคุณค่าที่เขาต้องการแล้วแล้วก็เขาก็จะไปจากคุณครับ แล้วเขาก็ไปหาผู้นําคนอื่ น, นแทนไปหาสิ่งที่มีคุณค่านั้นจากผู้นําคนอื่นแทนซึ่งส่วนมากแล้วผู้นําคนอื่นเขาก็จะมีให้นะแทนที่เขาจะมาเสียเวลากับคุณคุณเคยเป็นแบบนี้หรือเปล่าล่ะคุณเคยคุยกับคนนานแสนนานแต่เขาก็ไม่สมัครไม่ซื้อของคุณหรือเปล่าถ้าเคยเป็นถึงเวลาที่คุณจะต้องเปลี่ยนแปลงแล้วครับแล้วสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นกับคุณอีกเลยคราวนี้ครับมาถึงส่วนที่สําคัญมากที่สุดส่วนหนึ่ง ซึ่งนั่นก็คือวิธีการดูมีคุณค่าในสายตาผู้มุ่งหวังทันทีหรือว่าวิธีการเป็นมนุษย์แม่เหล็กแบบรวดเร็วนั่นเองซึ่งเคล็ดลับนี้ก็คือคุณไม่จำเป็นที่จะต้องทุ่มเทมากมายครับในการเพิ่มคุณค่าแล้วก็การพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะจะทําให้คุณนั้นมีคุณค่าในสายตาของผู้มุ่งหวังเพราะว่าส่วนมากแล้วคนส่วนมากนั้นเนี่ยแทบจะไม่มีความรู้อะไรเลยเมื่อเรามาพูดกันถึงเรื่อง การสร้างธุรกิจส่วนตัวจากที่บ้านเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจาเป็นจะต้องมีความรู้นั้นเนี่ยก็แค่รู้ให้มากกว่าผู้หวังแค่นั้นเองซึ่งมันอาจจะนิดเดียวจริงๆครับแต่คุณนะครับจะอยู่ในฐานะของผู้ที่มีความรู้ที่มีคุณค่าต่อเขาแล้วก็เริ่มมีพลังดึงดูด ท, ทันทีเห็นไหมครับว่าการได้เรียนรู้นั้นสามารถเปิดช่องทางให้คุณนั้นได้เริ่มในการที่จะเป็นมนุษย์แม่เหล็กทันทีเพราะว่า คุณไม่จําเป็นที่จะต้องมีความรู้มากมากนะเพื่อที่จะสามารถดึงดูดให้ผู้มหวังเข้ามาหาคุณเองได้คุณแค่มีความรู้มากกว่าผู้มหวังบางทีแค่นิดเดียวหรืออย่างเดียวแล้วคุณทําการแบ่งปันออกไปผู้มหวังส่วนมากเขาไม่รู้อะไรเหล่านี้อยู่แล้วเมื่อเขาได้มาเรียนรู้ปุ๊บเขาจะมามองคุณในฐา น, นะของผู้นําทันทีผู้ที่มีคุณค่าในสายตาของเขาทันทีแล้วคุณก็จะมีพลังดึงดูทันทีครับซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับ มีคำถามมากมายที่สอบถามผมเข้ามาทั้งโทรศัพท์ทั้งอีเมลทั้ง Facebook เกี่ยวกับคอร์สที่ผมสร้างขึ้นมาเพื่อสอนให้นักธุรกิจเครือข่ายได้เรียนรู้กับวิธีการทำการตลาดแบบ Attraction m a r k e t ก็ g แล้วก็สร้างความสาเร็จให้เกิดขึ้นในธุรกิจของเขาอย่างมากมายเนี่ยบางคนก็ถามว่าซื้อคอร์สแล้วเนี่ยแล้วเรียนทุกอย่างที่คุณสอนแล้วจะประสบความสเร็จทันทีเลยไหม บางคนก็ถามว่าผมเรียนมาเยอะแล้วผมก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเลยหรือว่าฉันเรียนมาเยอะแล้วฉันก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเลยทําไมจะต้องซื้อคอร์สของคุณด้วยบางคนก็ถามว่าคุณการันตีไหมว่าเมื่อเรียนแล้วเนี่ยที่ฉันจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนคะให้ผมพูดตรงๆงเลยนะครับคนที่ถามคําถามเหล่านี้เนี่ยเป็นพวกที่ถูกกาหนดอนาคตไว้เรียบร้อยแล้วแนะผมเห็นอนาคตเขาเรียบร้อยแล้วว่านะถ้าเข้ามาทําธุรกิจ โอกาสที่ประสบความสําเร็จนั้นมีน้อยมากโอกาสที่ล้มเหลวนั้นสูงเลยเนะพราะวามันเป็นอนาคตที่สามารถทํานายได้อย่างง่ายได้เลยพราะคนเหล่านี้ครับเขาไม่รู้อะไรเลยในการพัฒนาความสำเร็จให้เกิดขึ้นในชีวิตคนเหล่านี้นั้นใช้ชีวิตแบบเป็นพวกขี้แพ้แล้วก็เอาแต่โทษคนอื่นแล้วก็ไม่มีทางประสบความสําเร็จเป็นพวกเหยียบขี้ไก่ไม่ฝอเป็นพวกอยากรวยเร็วอยากหาทางลัดอยากค้นพบเครื่องมืออะไรก็ได้หรือวิธีการอะไรก็ได้ ที่จะช่วยให้เขาประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วภายในวันนี้พรุ่งนี้จริงๆแล้วผมอยากจะบอกให้ทุกท่านฟังอย่างชัดเจนเลยว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่มีครับนะของเหล่านี้มันไม่มีคุณไปถามคนที่เขาประสบความสำเร็จมากๆเลยมันไม่มีไอ้ทางรัดเหล่านี้ไอ้ที่ประสบความสำเร็จมันถูกหวยใ น, ย เ, นยเวลาข้ามคืนนะไม่มี คนเหล่านี้ครับควรจะรีบกลับไปทํางานประจําจดตายหรือไม่ก็หวังลมๆเล้งๆต่อไปหรือไม่ก็ล้มเหลวหรือไม่ก็ให้เขาหลอกต่อไปในองค์การธุรกิจเครือข่ายเจอโอกาสทางธุรกิจใหม่เขาบอกว่าทําง่ายได้จริงให้สมัครเข้ามาเลยให้เขาหลอกต่อไปครับโอกาสประสบความสำเร็จไม่มีเลยเพราะว่าทัศนคาาติเขายังไม่ได้เขายังไม่รู้ว่าการที่จะประสบความสำเร็จในการเป็นเจ้าของธุรกิจนะั้นมันต้องเป็นคนแบบไหน มันจะต้องมีทัศนคติแบบไรบ้านเพราะวสิ่งสำคัญที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จนั้นเนี่ยมันอยู่ในตัวของคุณเองมันคือทัศนคติมันคือความเชื่อมันคือการลงมือทำนะการกระทําการลงทุนทั้งเงินทั้งเวลาทั้งแรงงานมากมายแล้วก็คือการทุ่มเททาจนประสบความสำเร็จต่างหากคุณตณันโอชิยังเคยบอกเลยว่าคาตอบเดียวถ้ามีคนถามเพราะว่า จะให้คําแนะนํากับคนที่จะไม่ประสบความสำเร็จได้อย่างไรคุณตานตอบว่าที่คนยังไม่ประสบความสำเร็จนั้นก็คือเขายังทําไม่มากพอแค่นั้นเองจบเลยตอบคําตอบเดียวที่ผมทําเงินได้มากกว่าคุณในวงการนี้ก็เพราะว่าผมทํางานหนักมากกว่าคุณมากมายนะครับผมทุ่มเทเวลาให้กับความสำเร็จมากกว่าคุณหลายเท่าผมอดหลับอดนอนมากกว่าคุณหลายเท่าผมใช้เงินลงทุนกับความสําเร็จในการศึกษาเรียนรู้ มากกว่าคุณหลายเท่ามันไม่ใช่ความลับอะไรเลยครับสาหรับความข้อแม้เ่านี้คุณจะต้องไม่หยุดเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไม่หยุดเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเองอถ้าคุณต้องการทำรายได้เจหลักภายใน2ปีนี้คุณต้องรีบไปลงทุนเรียนรู้เลยเพราะนี่คือทางลัดนะอย่าลองผิดลองถูกเจ็บตัวเองเสียเวลารีบลงทุนเรียนรู้แล้วขอคาปรึกษาจากผู้ที่รู้จริงเลย ไม่ว่ามันจะต้องใช้เงินกี่พันกี่หมื่นกี่แสนก็ตามภายในสองปีนี้ที่คุณตั้งเป้าไว้มันคุ้มค่ามากครับเพราะผมได้พิสูจน์มาแล้วไม่อย่างนั้นป่านนี้ผมคงยังล้มเหลว อ, อยู่ผมคงไม่ได้ผลลัพธ์นะที่มากกว่าเงินที่ผมลงทุนไปมากมาเป็นสิบสิบเท่ากลับมาหรอกถ้าทําแบบนี้ได้อย่างที่ผมแนะนําในหน้านี้ได้ผมก็การันตีแล้วว่า คุณจะเป็นคนที่มีคุณค่ามากกว่าคนอื่นอื่นเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นในวงการธุรกิจเครือข่ายอย่างแน่นอนแล้วจะทําให้คุณเป็นมนุษย์แม่เหล็กโดยอัตโนมัติเลยหนึ่งแสนสามมื่นหนึ่งพันนอยบาทหกหมืนบาทหลายๆครั้งสามหมืนบาทหลายๆครั้งหนึ่งมืนห้าพันบาทหลายๆครั้งหกพันบาทหลายๆครั้งแล้วก็เงินนะ จำนวนมากมายอีกหลายหลายครั้งคำถามคือว่าคุณคิดว่าจำนว น, นนี้มีผลอย่างไรกับชีวิตของผมมันคือตัวเลขที่บอกบอกอะไรมันบ่งบอกรายได้ที่ผมได้จากธุรกิจหรือเปล่า mm. คำตอบก็คือไม่ใช่นะแต่มันคือตัวเลขที่ผมจ่ายออกไปเพื่อซื้อคอร์สต่างๆต่างหาที่ผมเล่นลงทะเบียนเรียนในปีที่แล้วทั้งปีบางครั้งนะครับแค่คอร์สเดียวผมจ่ายมากกว่า หนึ่งแสนบาทเพื่อพัฒนาทักษะของผมในด้านด้านเดียวผมลงทุนแบบนี้เสมอเสมอไม่รู้คุณจะเชื่อหรือเปล่าว่าทำไมมันถึงมีเหตุผลที่ว่าผมจึงทำรายได้ได้มากกว่านักธุรกิจเครือข่าย 9.9 เาซที่ไม่ได้เรียนรู้ความลับเหล่านี้ผมลงทุนกับความรู้แบบนี้ตั้งแต่เริ่มต้นมีไรายได้ใหม่ จนกระทั่งสร้างไรายได้เจ็ดหลักได้สําเร็จยิ่งทําเงินได้มากเท่าไหร่ผมยิ่งลงทุนกับความรู้แล้วก็ข้อมูลที่สําคัญที่มันช่วยให้ผมประหยัดเวลาที่มากขึ้นเท่านั้นเพราะเวลาคือสิ่งที่มีค่ามากที่สุดของการความเร็วต้องการความสเสด็จอย่างรวดเร็วผมจึงต้องเรียนรู้อย่างรวดเร็วแล้วลงมือทําอย่างรวดเร็วเพราะจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ใช่คนฉลาดอะไรมากเลยผมเรียนรามแปดปีากว่าจะจบเปลี่ยนคณะแล้วเปลี่ยนคณะอีก แถมตอนจบนั้นได้เกรดแค่ 2.42 เท่านั้นจากคณะ ว, วิทยาศาสตร์ผมไม่ได้จบการตลาดหรือบริหารธุรกิจเลยนะครับแต่เพราะเมื่อผมได้เรียนรู้มากขึ้นผมก็เกิดปัญญามากพอที่จะรู้ว่ายิ่งผมเพิ่มคุณค่าในตัวผมเองให้กับผู้อื่นมากเท่าไหร่ชื่อเสียงในคุณค่าของผมก็จะกระจายไปไกลมากขึ้นเท่านั้นและผู้คนมากมายครับ ก็จะได้รู้แล้วก็จะวิ่งแข่งแย่งกันเข้ามาหาผมเองเพราะผมมีสิ่งที่เขาต้องการตอนนี้นะครับคุณได้รู้ความรับแล้วก็หลักการแห่งความสาเร็จทั้งหมดแล้วอย่าหยุดที่จะเรียนรู้อย่าหยุดที่จะเพิ่มคุณค่าให้กับตัวคุณเองอย่าหยุดที่จะแบ่งปันคุณค่าของคุณออกไปด้วยการสอนความรู้แล้วก็ประสบการณ์ของคุณเหมือนอย่างที่ผมแนะนําในบทที่แล้วจํำได้ไหมครับ3ขั้นตอนที่คุณจะต้องทําทั้งหมดในการสร้างธุกรกิจคล้ายๆหนึ่ง ขายตัวเองคุณได้เรียนรู้แล้วครับว่าคุณควรจะขายตัวเองอย่างไรในบทนี้เต็ม 2. ขายระบบการทําการตลาดของคุณ 3. ขายด้วยการสอนความรู้และก็ประสบการณ์ของคุณออกไปนั่นเองผู้ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากมายทุกคนที่ผมรู้จักหรือว่าได้ศึกษาชีวิตของเขาเหล่านั้นนะครับต่างทุ่มเทและพัฒนาตัวเองจนเหมือนกับว่าเข้าหล่านั้นเนี่ยได้ป ร, ริญญาโทรป ร, ริญญาเอกเป็นด็อกเตอร์แห่งวงการธุรกิจนั้นเลย ตั้งทังนี้ไม่ได้เรียนจริงๆนะครับแต่ว่าเรียนรู้จากประสบการณ์ของเขาซึ่งแน่นอนว่าคนที่มีเงินมากๆก็จะมีคลังความรู้ที่ใหญ่มากๆเช่นเดียวกันและเขาเหล่านั้นนะครับไม่เคยที่จะหยุดเรียนรู้เลยเมื่อไปถึงเป้าหมายแล้วเขายิ่งลงทุนเรียนรู้มากขึ้นอยู่เรื่อยๆห้องสมุดเขาโต้หนังสือเขาแล้วจะมีเป็ น, น, นตั้งๆเลยบ้านผมนี่หนังสือนะครับเต็มตู้จนแทบจะไม่มีที่วางแล้วคอร์สนี้ ก็ไม่ใช่คอร์สเดียวครับที่เมื่อคุณเรียนจบแล้วคุณจะรวยได้ทันทีในวงการธุรกิจเครือข่ายมันยังมีเรื่องราวอีกมากมายคุณได้เรียนรู้ยิ่งคุณเรียนรู้มากเท่าไหร่นะครับรายได้ของคุณก็ณจะมากขึ้นไปเรื่อยๆครับมากขึ้นไปตามความรู้และก็ทักษะที่คุณได้เรียนรู้และพัฒนานและมันก็เพิ่งเป็นจุดเริ่มต้นในความสำเร็จของคุณเท่านั้นมีแต่ผู้ตามเท่านั้นครับที่จะมองหาทางลัดสู่ความสําเร็จ ที่พูดที่ประสบความสำเร็จจริงๆทุกคนจะทราบว่ามันไม่มีจริงแต่ เ, เมื่อคุณได้เรียนรู้จากสื่อใดหรือว่าคอร์สใดแล้วก็ตามถ้าทั้งคอร์สนั้นคุณได้เรียนรู้สิ่งที่คุณไม่เคยเรียนรู้มาก่อนแค่เพียงอย่างเดียวก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วเพราะความรู้ที่คุณได้มาอย่างเดียวนั้นเนี่ยมันจะถูกพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆครับนะผมเคยประสบกับ เ, เหตุการณ์แบบนี้มาเยอะเลยเรียนทั้งคอร์สเนี่ยอาจจะได้จุดสําคัญจุดเดียวแต่จุดสําคัญที่ผมได้นั้น มันพลิกเลยเพราะว่าผมนํามันมาพัฒนาต่ออันนี้อย่า ก, กลัวครับที่จะต้องลงทุนมากเป็นหมื่นหรือเป็นแสนในการเรียนรู้ในคอร์สต่างๆเพราะตัวผมเองเมื่อเจอคอร์สหรือว่าสัมมนาที่น่าสนใจแล้วแล้วก็ผมซื้อทันทีผมลงทะเบียนทันทีไม่เคยลังเลเลยเพราะผมทราบว่าในระยะยาวแล้วเนี่ยผมจะได้รับมากกว่าที่ผมจ่ายออกไปอย่างมากเพราะว่าความรู้เหล่านี้จะกลับมาตอบแทนผมอย่างแน่นอนเพราะว่ามันคือการเพิ่มคุณค่าให้กับตัวของเราเอง คุณพ่อคุณแม่ของเราเองนะครับลงทุนส่งเสียนะครับให้เราเรียนตั้งแต่อนุบาลยันจบปริญญาตรีบางคนจบโทจบเอกใช้เงินพ่อแม่ไปไม่รู้กี่ล้านบาทคุณเคยพิจนารณาหรือเปล่าแต่คนส่วนมากนะครับเรียนจบแล้วใช้เงินไปไม่รู้กี่ล้านบาทแล้วก็ยังไปไม่ถึงไหนเลยในชีวิตเพราะ ว, าว่าวิชาส่วนมากที่เขาได้เรียนมานะมันเป็นวิชาที่สอนให้คุณจบแล้วออกมาเป็นลูกจ้าง มันมีน้อยมากหรือมันไม่มีเลยครับในวงการศึกษาของประเทศไทยที่จะสอนให้คุณจบมาแล้วเป็นเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จส่วนมากแล้วเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์มาเรียนรู้เอาจากประสบการณ์ของตัวเองและประสบการณ์ของผู้อื่นทั้งนั้นเพราะฉะนั้นผมแนะนาว่าให้ซื้อทุกอย่างที่คุณจาเป็นต้องซื้อ ซื้อหนังสือทุกเล่มที่คุณเห็นว่ามันสําคัญต่อการพัฒนาในด้า น, นต่างๆของคุณแล้วก็ซื้อมาไม่ใช่เอาเก็บไว้นะถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้อ่านภายในวันนี้ก็ตามแต่ซื้อมาก่อนแล้วมีเวลาจัดเวลาในการอ่านมันพัฒนาคุณค่าตัวเองอย่างเสมอเสมอการปลูกฝังนิสัยเหล่านี้มันช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของผมอย่างมากเลยครับซึ่งผมก็อยากให้ทุกท่านนั้นได้เรียนรู้แล้วก็ได้เริ่มต้นเส้นทางแห่งความสมําเร็จนี้ไปด้วยกันเพราะว่า การที่ผมแบ่งปันถ่ายทอดวิชาต่างๆให้กับทุกท่านได้เรียนรู้นั้นถ้าจะมีสักคนเดียวได้เรียนรู้แล้วไปพัฒนาจบประสบความสำเร็จนะสามารถลืมตาอาฝากได้เกิดรับอย่างมากมายแค่นี้เนี่ยผมปลื้มใจมากที่สุดแล้วแต่ผมเชื่อแน่นอนเลยว่าสิ่งที่ผมแบ่งปันนี้จะมีผลกระทบกับคนจํานวนมากเป็นร้อยเป็นพันหรือเป็นหมื่นเป็นแสนในประเทศไทยสุดท้ายนี้ครับการที่เรา จะประสบความสำเร็จในวงการธุรกิจเครือข่ายได้นั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปัจจัยเพียงแค่2อย่างเท่านั้นอย่างแรกก็คือการพัฒนาตัวเองให้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นําให้ได้โดยการเพิ่มคุณค่าของตัวเองให้กับผู้คนอยู่เสมอๆข้อสองความสามารถในการแสดงคุณค่าของคุณออกสู่สายตาของผู้มุ่งหวังผ่านการทำการตลาด น, นั่นเอง นี่คือ2ปัจจัยสําคัญครับ 1. เป็นผู้นํา2ทําการตลาดให้เป็นครับมันไม่มีทางลัดเลยครับเพื่อนๆทุกคนระบบที่จะช่วยให้คุณทํางานได้อย่างง่ายสุดยอดเว็บไซต์ต่างๆแผนการตลาดที่ยอดเยี่ยมมันจะไม่ช่วยอะไรคุณเลยครับเพราะว่าถ้าผมนะครับให้รายชื่อผู้หวงกับคุณฟรีๆไปเลยเอาไปเลยร้อยรายชื่อต่อเดือนคุณก็จะไม่สามารถสปอนเซอร์ใครได้อยู่ดีเพราะ ตัวคุณเองนั้นยังไม่มีสองปัจจัยนี้คุณยังไม่มีคุณค่ามากพอที่จะทำให้คนตัดสินใจลงทุนกับคุณได้แล้วคุณก็ยังไม่มีคุณค่ามากพอในการที่จะทำการตลาดให้คนนั้นเข้ามาหาคุณได้มากๆอย่าลืมนะครับว่าคุณจะต้องขายตัวเองคุณจะต้องขายความสามารถที่จะช่วยให้ผู้อื่นได้ใ้สิ่งที่เขาต้องการยิ่งช่วยคนได้มากหน่อยคุณยิ่งประสบความสเร็จมากเท่านั้น สรุปเนื้อหาในบทนี้นะครับคุณได้เรียนรู้ไปแล้วครับว่ากลุ่มคนในโลกธุรกิจเครือข่ายนั้นแบ่งออกเป็นสมกลุ่มมีกลุ่มไหนบ้างครับผู้นำผู้ที่กําลังจะเป็นผู้นำแล้วก็ผู้ตามนั่นเองคุณอยู่ในกลุ่มไหนล่ะคุณได้เรียนรู้ครับว่าผู้นำจะเป็นกลุ่มคนกลุ่มเดียวที่จะได้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมนะและก็ประสบความสำเร็จมากที่สุดทําเงินได้มากที่สุดคุณได้เรียนรู้ว่าการเป็นผู้นำ เป็นเป้าหมายหลักของผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จในการสร้างธุรกิจนะไม่จะเป็นต้องเป็นธุรกิจเครือข่ายแต่ทุกธุรกิจคุณได้เรียนรู้ว่าวิธีการรับแบ่งปันคุณค่าจากคนที่มีแรงดึงดูด ก, ก็คือการเข้าไปคลุกคลีคุกคลาสมาคมหรือว่าพยายามหาทางใกล้ชิดกับคนเหล่านั้นคุณก็จะได้อ น, นิสงของแรงดึงดูดนั้นมาด้วยนะนั่นคือสิ่งที่สําคัญจุดรเริ่มต้นที่รวดเร็วครับคุณได้เรียนรู้ว่าวิธีการทดสอบว่าคุณอยู่กลุ่มไหนนะจะต้องทําอย่างไรบ้าง คุณได้เรียนรู้ว่าความเชื่อคือสิ่งเดียวที่จะทําให้คุณแสดงความเป็นผู้นําออกมาฉายแสงมันออกมาจนผู้มุกงหวังนั้นไม่สามารถปฏิเสธคุณได้เลยคุณได้เรียนรู้ว่าผู้นำที่แท้จริงทั้งหลายนั้นต่างผ่านเส้นทางกระทนกระแท่นกันมาทั้งนั้นทุกคนผ่านเส้นทางนี้มาแล้วนั้นทําไมคุณไม่เดินตามมาล่ะแต่คุณได้เรียนรู้ว่าตัวอย่างของสุดยอดผู้นําทัศนคติและบุคลิกของผู้นํานั้นเป็นอย่างไรบ้างคุณจะเรียนแบบเขาได้ยังไงบ้าง คุณได้เรียนรู้ว่าวิธีการเป็นผู้นําอย่างรวดเร็วนั้นทำอย่างไรคุณได้เรียนรู้ว่าจงลงทุนกับความรู้ทุกอย่างที่จะช่วยให้คุณประสบความสเร็จอย่าไปเสียดายมันเพราะมันจะตอบแทนคุณอย่างแน่นอนคุณได้เรียนรู้ว่ามันไม่มีทางลัด ส, สู่ความสเร็จดรันนอกจากคุณจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆสิ่งที่มีประโยชน์แล้วก็ทุ่มเทนะครับเอาสิ่งที่เรียนรู้นั้นมาปฏิบัติพัฒนามันจะเกิด ทักษะแล้วก็ลงมือทำอย่างจริงจังโดยไม่ยอมแพ้โดยเด็ดขาดถ้าไม่ประสบความสำเร็จคุณได้เรียนรู้ครับว่าคุณจะต้องขายตัวของคุณเองคุณจะต้องขายความสามารถของคุณนะที่จะช่วยให้ผู้อื่นได้ในสิ่งที่เขาต้องการคุณจึงจะประสบความสาเร็จเป็นยังไงบ้างครับกับเนื้อหาในบทนี้มันมีคุณค่ามากแค่ไหนสิ่งที่ผมได้แบ่งปันให้กับทุกๆคนตอนนี้นะครับ ถึงเวลาแล้วครับเพราะว่าคุณได้เรียนรู้สิ่งที่สำคัญมากที่สุดไปแล้วแถ้าคุณยังเก็บรายละเอียดไม่หมดไปเรียนรู้ใหม่ครับย้อนกลับไปเรียนรู้ใหม่แล้วก็เมื่อเรียนรู้จบแล้วความรู้ไม่ใช่พลังแต่ความรู้ที่ถูกเอามาลงมือทาอย่างสุดหัวใจนะครับนั่นแหละคือพลังที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จอย่างเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นจาไว้ว่าคุณทาได้แล้ว จงลงมือทำอย่างสนุกสนานอย่างมั่นใจแล้วก็จะเต็มความสามารถกันแล้วพบกันใหม่ในบทหน้าซึ่งเข้มข้นกับบทนี้อีกสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญมากๆ น, นะครับพบกันใหม่ในบทหน้าครับสวัสนีขอบคุณครับสวัสดีครับ